ท่านเทียบเพียงพระสวสดาบัลเท่านั้นหน้ามาหาหมดแห้งไปยังเหลืออยู่สองสามหยดทุกของพระสวสดาบัลก็ยังเหลืออยู่เพียงสองสามหยดเท่านั้นส่วนพระสกทาคามีนาคามีอรหันท่านไม่ไดเอามาพูดในสูตรนี่พระสวสดาบัลก็ยังเหลือน้อยถึงขนาดนั้นแล้ว พระเก้าคามีพระอนาคามีก็คงยังเหลืออยู่เพียงครึ่งหยดเท่านั้นหยดนนหยดน้าส่วนพระหัต์ไปหมดแล้วเราไม่เชื่อพระองค์เราจะไปเชื่อใครทีนี้พระองค์ไม่ได้พูดแต่ปาก กลสของพระองค์ก็หมดไปด้วยเราได้ครูดีอาจารย์ดีทีนี่อาจารย์ดีเบือาา้องต้นของเราต้นพระพุทธศาสนาก็เป็นผู้มีกิเลสด้วยที่นี่ศาสนาอื่นนอกจากศาสนาพุทธก็ยังมีกิเลสอยู่ตั้งเท่ากูเขาหลวง ทนี้ในที่ว่านี่เราไม่ลำเอียงเข้าศาสนาพุทธเราพูดตามเป็นจริงเราปริบับตามเป็นจริงถ้าเราจะลำเอียงเราก็ไม่ยอมถือศาสนาพุทธเพราะพระ อ, องค์ไมาได้เกิดในประเทศของเราเกิดในเนปาลปานประเทศอินเดียเรายังนับถือนี่ เรานับถือตามเหตุผลถ้าเราลำเอียงเราก็ไม่เราก็ไม่กล้านับถือเพราะมันได้เกิดในประเทศไทยทีนี้จะหาว่าพระสมัยพระพุทธเจ้าดูถูก ศาสนาอันอื่นพูดเข้าข้างตัวสนนเสริญแต่สาวกของตัวก็เป็นการกล่าวตู่พระบระมสารดาอีกเหมือนกันเพราะพระบรมศาสีราเนี่พูดเข้าข้างตัวเทศนาเข้าข้างธรรมะถือธรรมะเหตุฉะนั้นจึงยอมคารพทธรรมะในมหาปรนินิพานสูต ร, ร บอกเหนนอยู่แล้วสมณะทั้งสีมีพระสวสดาบันสกทาคามีอนาคามีอราหารันไม่มีในาศาสนาอื่นเลยนอกจากพระพุทธาศาสนาเท่านั้นแม้จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสักเพียงไหนก็ไม่มีพระสวสดาบันาศาสนาอื่นทั้งหมรมศาสนายืนยันแล้วในมหาปรินิพานสูตร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 กรรมและผลของกรรมมีอยู่ตราบใดเพราะพุทธศาสนาก็ยังอยู่ตราบนั้นจะมีผู้ถือหรือไม่ถือก็ตามกรรมและผลของกรรมมีอยู่ประจําโลกประจําแต่ละรายของบุคคลและตัวสัตว์อีกด้วยสิ่งที่มีวิญญาณคลองสิงนี่ต้องสวยกรรมและผลของกรรมอยู่ของตนอยู่จะรู้ตัวหรือไมร่รู้ตัวไม่ขึ้นอยู่เมื่อเป็นดังนี้จึงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา ดินอหนแผ่นดินมันเป็นยังแพนดินแปลว่ามันไม่วิ็นย่านเลยคือนอกจากสัดที่เราไปมนุษย์แผ่นดินมันไม่เป็นญ่านหรอกวิญญาณเนี่คือวิญญาณอย่างวิญญาณปฏิชนธิดินขมัดตายแล้วมันก็เกิดไปยังดินนื่อมันก็เป็นดินของเก่าหดินนวลวดมันมี อ๋อ hmm? oh, ถือว่าศาสนาอื่นนั่นะในรัธิของภามบางจำพวกถือว่าดินเป็นของที่มีวิญญาณแต่ว่าพระองค์ที่ไม่ให้ขุดดินนั้นเพราะเ ก, งก่งจะไปถูกสั์ตายนี่อันหนึ่งไม่ใช่ว่าพระองค์จะถือว่าดินมีวิญญาณ เหมือนกับศาสน า, า พ, พราหมณ์พระองค์ไม่ได้ถือว่าดินมีวิญญาณจะคุวิญญาณตาของมันมีอยู่ที่ไหนโสตะวิญญาณหูของมันมีอยู่ที่ไหนคณะวิญญาณจมูกของมันมีอยู่ที่ไหนช่วหาวิญญาณจมูกของมันก็ไม่มี กายวิญญาณกายของมันก็ไม่มีเราไปขุดมันก็ไม่ได้ด่าได้แข้งเราทีนี้ดินเพราะไม่มีวิญญาณวันี้วิญญาณปฏิสนธิของมันก็ไม่มีโรคโกหลงของของมันก็ไม่มีสิ่งของสมบัติพสถานของมันก็ไม่มีไม่ได้จัดว่าดินดินมีวิญญาณในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้จัดว่าดินล้นลว น, วนมีวิญญาณ แต่ดินภายในหรือภายนอกผู้เข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเป็นวิญญาณของผู้นี่ตังหะวิญญาณของนินแทบไม่มีวิญญาณของน้ำก็ไม่มีวิญญาณของไฟก็ไม่มีวิญญาณของลมก็ไม่มีวิญญาณของต้นไม้ก็ไม่มีวิญญาณของภูเขาก็ไม่มีเพราะภูเขาก็จัดลงในธาตุดินแล้วสิ่งที่เป็นของแข็ง สิ่งที่เป็นของเหลวทราบซึมก็จะเป็นธาตุน้ำสิ่งไหนที่เป็นอบอุ่นก็จัดเป็นธาตุไฟสิ่งไหนที่พัดไปมาก็จัดเป็นธาตุลมดินน้ำไฟลมล้นล้วนไม่จัดว่ามีวิญญาณส่วนที่มีวิญญาณเข้าไปคลองสินยึดถือเอาเป็นเจ้าของก็คือกิเลส พูดมานั่นในทางพุทธศาสนาวัดว่ า, าศาสนาก็อาศัยดินอาศัยตนไหว้ถ้าดินน้าไฟลมแต่ว่าอาศัยชั่วคราวในชั่วปฏิบัติไม่ได้หวังจะเอาดินน้าไฟลมไปเข้าสู่พนิพพานด้วย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 ทีนี้ถ้าหากว่าเข้าใจว่าพระนิพานอนุปาทิเสสสนิิพานต้องเอาใจไปก็เป็นความเข้าใจผิดอีกเหมือนกันถ้าอย่างนั้นพระนิพานก็บกพร่องจะได้เอาใจไปจากรูปขันนามขันอยู่ใจที่บัญญัติว่าสิ้นกิเลสแล้วคือใจสะอาด ก็เป็นแต่สักว่าใจอยู่ของเก่านั่นเองเหตุฉะนั้นท่านจึงมันอยากว่ารูปเจตสิกนิพพานรูปจิตรูปก็เป็นอย่างหนึ่งจิตก็เป็นอย่างหนึ่งเจตสิกก็เป็นอย่างนิพพานก็เป็นอย่างท่านนายท่านนายยืนยันว่าใจเป็นพระนิพพานพระนิพพานเป็นใจ สรุปแล้วพอคือใจเป็นหัวหน้าประพฤติเพื่อเข้าสู่พนิพพานถ้าเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานแล้วจะมาบัญญัติใจเหมือนเก่าก็ไม่ถูกเพราะกลายเป็นอันอื่นแล้วเพราะกายเป็นธรรมอนัมตายแล้วไม่บรญญัติใจเสียส่วนพระละหันที่ยังไม่ตายนั่นบัญญัตใจ จิตลุดพ้นจากอาสะวะส่วนตาแล้วมาบัญญัติล่ใจเพราะเหลือวิสัยที่จะบัญญัติอีกอเหลือวิสัยที่จะมาบัญญัติของหยาบๆส่วนพระอรหันต์มรณะาภาพแล้วไมบญญ่บัญญัติล่ใจบัญญัติว่าอมตะังไม่พ ย, ยังข้ตา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 จึงบอกพญ า, าม ก, กะว่าคนจะหาพระรหันในขันห้าเถิดจงหาดูซิหาพระรหันในขันห้านั่นก็รูปเสียนั่นก็เวทนาเสียนั่นก็สัญญาเสียนั่นก็สังขารเสียนั่นก็วิญญาณเสียหารูปนั่นก็ผมนั่นก็ขนนั่นก็เล็บ นันก็ันนั่นก็ nắng น, น, น, น, นั่นก็เนื้อนั่นก็เอ็นนั้นก็กระกระดูกเหยือในกระดูกมามหัวใจตับปังฝืดไตปอดไตไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสมมุติเราเป็นถาดดินนั่นก็เป็นดินเสียทีนี้ถาดน้าดีทะเลน้องเลือดเหงื่อมันข้นน้าตาเปลวมันน้าลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ามูดอันนั้นก็เป็นถาดน้าไปเสีย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 อุเบกขาอันนั้นก็เป็นแต่สักวาเวทนาเสี ย, ยนี้สัญญาความจําลูกจําเสียงจํากลิ่นจํารสจําพูดถัพพะจำธรรมารมาลมอันนั้นก็เป็นแต่เสียเป็นเป็นแต่สักวาสัญญาไปเสีย่นี่สังขารปรุงแต่งแห่งกิตบางข้านึกดีบางข้าวนึกขั่วบางข้านึก ด, กดีก็เรียกว่ากุศลกิต บางคราวนึกชั่วก็เรียกว่าอกศุศลจิตบางคราวนึกกลางๆไม่ดีไม่ชั่วก็เรียกว่าพยากิจก็เรียกว่าสัางขารอีกเหมือนกันที่นี่วิญญาณจักกุบวิญญาณอาศัยโลกรูปกระทบในตาเกิดความรู้ขึ้นเรียกจักกุบวิญญาณอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความรู้ขึ้นเรียกโสตะวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความรู้ขึ้นเรียกฐานะวิญญาณ อาศัยรถกระทบริน้นเกิดความรู้ขึ้นเรียกคิวหาวิญญาณอาศัยโผฏฐะกระทบ ก, กายเกิดความรู้ขึ้นเรียกกายวิญญาณอาศัยธรรมเกิดกับใจเกิดความรู้ขึ้นเรียกมนุวิญญาณอันนั้นก็เป็นแต่สกปวิญญาณไปเสียเออกรผมหาพระหันในขันท่าไม่ได้เสียแล้วออ เออเธอหาพระลหันในคันห้าไม่ได้ถูกแล้วจริงอยู่ถ้าอย่างนั้นเธอจะยืนยันว่าพระลหันตายแล้วศูนย์ทำไม ส, สาธุบุตรกับซ่อนเข้ามาถามอีกทีนี้ถ้ามีผู้ถามว่าถ้าพระละหันตาย มีผู้ถามท่านจะตอบยังไงภาษาลีบุตรย้อนถามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงนั้นดับไปแล้วครับจะตอบอย่างนี้เออถูกละดีละดีละ <c oughs> <c oughs> อุบายพยามกขอุบายภาษาลีบุตรแก้พยามกขพยามกขบอกว่ายืนยันว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์ นโดยประการทั้งปวงอีกเสียด้วยถ้าจะใช้คำว่าสู์ก็สู์แต่เพียงโรคกวดลงเท่านั้นสิ่งอื่นไม่ศู์เพราะทำอันแม่ตายมีอยู่ผู้ที่เขาถือว่าตายแล้วสู์ก็เหมือนกันใครเป็นเป็นผู้รู้ว่าสู์ก็ผู้ัรรู้อยู่นั่นน่ะมันไม่สูนะใครเป็นผู้ไปยืนยันว่ามันตายแล้วสู์ ผู้ไม่ศูนย์ซีไปยืนยันถ้าหาว่าศูนย์แล้วจะรู้อะไรอีกทีกนี้พระรหันบรร ญ, ญตัตไม่ขึ้นใช่แล้วจะบรร ญ, ญตัตผูลู้ก็ไม่ขึ้นเพราะท่านไม่กล้องในผูลู้ ก็ว่าแต้ตัวไหนเป็นโตงนภาชนเป็นพิจารณาเขิเองโอ้อันนี้เนาะคือสำหรับภายในภาชนบรรยัตสุขว่าเป็นสุขบัรยัตนอกบัรยัตในห่างแม่นนอกแต่ว่าผู้มีผูใ้ใดไปยืนยันเอาสุขมาเป็นเจ้าของ ที่นี่ว่ามาเกิดแก่เก็บตายว่ามาโลภมาโกรธมาหลงอีกก็ได้จัดว่าเป็นสุขเพราะเนีไม่รู้ขันน้าขันไม่ได้มีรูข้ขันน้าขันก็เลยจัดว่าเป็นสุขแต่ผู้ที่เสวยสุขอยู่ในพระนิพพานน่ยมันไผเดียวนี่เมื่อใดมีสําคัญเอาไผ่สุขเออ สำคัญว่าใครสุขพระผู้เเจ้าก็บอกว่าสาคัญว่าจะของสุขอยู่เดียวเนี่ยเาะหมดข้อมสําคัญนแล้วจากสําคัญว่าสุขได้แต่ไม่มีชีวิตอยู่แต่ห่างวัติดสุขข้าพเจ้าพจิจารณาสุขในพระนิพพานตามเป็นจริงของสุขพระนิพพานข้าพเจ้าพจิาพจารณาทุก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 แน้าข้าพเจ้าก็ไม่ได้สำคัญตัวว่าอยู่ในที่สุนสูนย์สสารเองด้วยที่ว่าพระนิพพานนิพพานังพลังศูนย์ยังพระนิพพานเป็นที่ว่างเปล่าว่างจากโรคโกดหลงว่างจากเกิดแก่เก็บตายว่างจากอุปทานพกชาติทั้งหลาย นิพพานนิพพานังพลังทุกครั้งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะมัมีชาติเพราะม่มีภพเพราะไม่มีทุกมาเกือ้อปนสิ่งไหนที่มีวิญญาณคลอ ง, ส, งสิ่งนั้นก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าอย่างนั้นก็ศูนยสิ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 หมดรายได้หมดรายเสี ย, สมยหมดรายรับหมดรายจ่ายเกาะตัวสวยพันธุ์านตัวสวยพนัพนธุ์ผ่านสวยมีมุติสุขพระสุขเกิดจากการพ้นกิเลสอาสวะสวยมีมุติสุขยู่เก็บรันหมายความว่าพันธุ์หันยังไม่ตาย พระบรมศาสตรสดา ย, ยังมีอยู่ยังไม่สิ้นชีวิต mm. เพราะกิเลสนิพานเฉยๆขันยังไม่ทันนิพานพอพระหันสิ้นชีวิตก็เรียกว่าขันนิพานเมื่อพระลหันยังไม่สิ้นชีวิตก็มีแต่กิเลสนิพานท่านั้นจึงเรียกว่าสอุปะสิเสสนิพานดับกิเลสแล้วแต่ยังเหลืออยู่เป็นกัคขัน อนุปาทิเสยสนิพานดับทั้งเบญจขันด้วยทีนี้ไม่มาก่อเบญจคันอีกถึงพระเนรัพาะเนรพลเป็นของละเอียดที่สุด ถ้าสวดาบันมองเห็นพระนิพพานมองเห็นพระนิพพานการไปการมาไม่มีการจุติด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 ของผูุ้ชนคนหนาที่จะเดา ด, ด้น <c oughs> ที่นี่เมื่อเราเห็นความเกิดเก่เก็บตายในวัฏจักรสงสารเป็นทุกข์มากเราจึงจะสำเนียบพระนิพพานถูกถ้าเราไม่เห็นการเกิดการเก่การเจ็บการตายชาติชาติพบพบการท่องเที่ยวในวัฏจักรสงสารมันเป็นทุกข์มาก จิตใจของเราก็ไม่ยินดีในพระนิพพานเราก็ตีความหมายในพระนิพพานไม่ออกถ้าว่าเราเห็นว่าชัดๆพบๆเกิดๆเกศๆเก็บๆแต่ตายโลกๆกูดๆหล ง, ลงเป็นทุกอย่างเต็มที่ถ้าเราเห็นในจิตในใจของเราโดยเฉพาะตนอย่างนี้เราก็จะส้ำเนียกพระนิพพานถูกถ้าอย่างนั้นเราก็ส้ำเหนียบไม่ถูก เป็นของเหลือวิสัยของเราเสียแล้วแต่ว่ามแต่ว่าไม่เหลือวิสัยของท่านผู้อื่นเช่นนักมวย <laughs> เขายกกฎนนั่งนักได้ แ, แต่ไม่ <laughs> เหลือวิสัยของเราเทวว่าเขาไม่เหลือวิสัย <c oughs> ถ้าเรามองดูอดีตก็เห็นแต่กองทุกข์ถ้าเรามองดูอนาคต <c oughs> ก็เห็นแต่กองทุกข์ชัดด้วยตนเอง โดยไม่ตื่นข่าวเชื่อตามคนอื่นพูดเห็นอย่างนั้นชัดเราจะสำเหนียบพระนิพพานถูกทีนี้ถา้าไม่เช่นั้นแล้วเราจะสำเหนียบพระนิพพานไม่ถูกที่ใดไม่เกิดแก่เก็บตายก็ที่นั่นแหละเป็นพระนิพพานที่ใดไม่มีกองนามรูปที่นั่นแหละเป็นพระนิพพาน ที่ใดไม่มีโรคโกดหลงที่นั่นแหละพระนิพพานที่ใดไม่เกิดแก่เก็บตายก็ที่นั่นแหละพระนิพพานที่ใดไม่โรคโกดหลงที่นั่นก็แหละพระนิพพานที่ใดไม่ใช่กองนำลูกก็ที่นั่นแหละพระนิพพานเพราะในใตยโลกธาตุมีแต่กองนำลูปบรรจุ รูปหมายความว่าสิ่งที่มีวิญญาณของสิงห์เมือไม่มีก็าตามก็จะเป็นรูปเหมือนกันสิ่งที่มีวิญญาณของสิงห์อยู่ในโลกก็จะเป็นโลกเอกเหมือนกันรูปสังขาร น, นามสังขารพวกที่ติดอยู่ในสมาธิ ยืนยันสมาธิเป็นตนตนเป็นสมาธิก็เรียกว่าอาเนียนชาพิชางขานก็จะเป็นสังขานอยู่เหมือนกันมีภพมีชาติอยู่เหมือนกันพวกที่เข้าถึงสมาธิอันไม่มีรูปเพราะเพราะเพะกิกกระสินแล้วกระสินที่เพ่งรูปไม่มีเพ่งแต่อารุปเป็นอารมณ์ ตายคานั้นก็ไปเกิดอรูปภพกมส่วนพวกที่ที่เจนาอนิจจังทุกขังอนัตตากลมกืนกันอยู่ไม่มีกังวันเกลินพวกนี้จะทำหวังจะทำลายรูปและอรูปพวกนี้เพื่อจะมให้ติดอยู่ในรูปและอรูปเพราะพวกนี้จะย่างเข้าสู่โลกุตละ พวกนั่นกำลังชาชนเฉยเลยพวกไม่มีอนิจจังทุกครั้งอนัตตาโกลมกืนกันนะสรรพธาต์ก็ย่นลงถึงอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเนี่ยเว้นไว้แต่พระนิพพานธาตุอันเดียวสรรพธรรมก็เว้นไว้แต่พระนิพพานธรรมอันเดียวสรรพอินทรีย์ก็เว้นไว้แต่อินทรีย์ในพระนิพพาน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 เฉยๆเพราะไม่มีกิริยาที่จะเข้าสู่แล้วพูดเพื่อเข้าใจแก่ผู้ฟังเฉยๆผู้ปฏิบัติเฉยๆเพราะธรรมดาคนอยู่ในโลกก็ต้องเอาเรื่องที่เป็นวัตถุมาพูดกันจึงเข้าใจกัน